ดอเมืองจักขินเมืองจักขินนั่นหุ่งเอามากินหุ่งมากินเบิหุ่งมากินเบิ้ดอ่อาวะหุ่งมันมากนี่งไซื้อจะปาซี่เท่าจำปาซี่ต้นก็นว่า หุมมามันมกม็นมากับพืชปีกพืชปีกหวงตะเวนพระพุทธเจ้าใส่สาหขวงตะเวนให้มืดมืดมันได้เริ่มมากินจากหมา่างง้ค้อยเฟดไก่มันมาไหวเกินเสียงบัวร้อไปเลยพวกพระบวรัวร้มาหลาดชว่ง ได้ออกความเห็นนางปัทมามาเนี่ยเข้าสี่เขตทีไหนเข้าอยู่ในเกณฑ์ที่ตายแลย้วบ้าคือเห็นตั้งแต่เอาไปฝากเอาไปไหวในกลองจอปองซาพันจ่อปองจากน้อยพรอใหญ่ันใจได้เอานา่งเขานั่นทะเพ่กองไงยืนฝากไหวเทวดาดาวสูเดียน โต้ลงก็เลยเอาเขาเอาเขาก็ห่มกองไว้เอาอาหารการกินเขาไปไว้ในหันทำามันมดแล้วก็อวดจ้งหันภาวนาพุทธโตภาวนาถึงคุณนฟองคนแม่เนื้อมาเสร็จกลามัป็นมดแล้วนี้บันสีเสียงบรรเดียวฮะนรันอื่นไม่บันสีเสียงแมนมามันจินมดเท่ะหอยและพันวอคว้งเป็ดไก ส่างมาว่าค้อยเป็ดไก่มันบ่อยกินเสียงบวโรสันมันขากกระดูกออกมาพอผู้เขาคนอันนี้มันบอย่ามบวกินอ น, นี้มันชาดกพระพุทธเจ้าใส่สะหาซิบสะซื้อซื้อที่หีหกซื้อนั่งปัทุทมา่า เขายังในกองอะไรก่มีพญาองค์หนึง่งพญาองค์นั้นแต่พ่อกวงค่มอยู่เมืองนึงตางหากพ่อกวงค่่าแหละอ๋อสมัยทรองอำนาจสิท ธ, ธิขาดกวงตัวนี้ คำันเต็นออกข้างภายจิตตัดข้อพวกนันน้นนะะไม่พากันไปล้อมล้อมแล้วมันก็เต้นขวมหัวพญาที่ไงกวงอลไรเป็นพระอินบันดาลเพื่อพญาเสียเปรียบไขคืนมาไลา ย, ยำตามไล่ไปไล่ไปไลไปลไปลามาละ ไปไก่เป็นตกเมืองไหบุเป็นตกเมืองจักขินเผ่อละจักขินบนหุ่งกินไป เ, เห็นแต้ห้อยกระดูกหุ่งว่เห็นมันกินอิ่มพราะเฮงมันหุ่จะเข้าใจว่ามันมดและนั่นะราลงไปกินอีกเห็นตะกล่องแขนอยู่ก็เลยไปตบๆกล่องนั่น พึ่งพึ่ ง, งขึ้งขืนนางเข้าใจว่าหู่พราแม่เพรนออกของนางก็ตายเมด่อแล้วหู่วง้ยเจ้าอยากมากินขมา่าซาวาสะั่ง้วยคนตัวนี่อยู่ในดีว่ะสะั่ก็เลยปาดกองออกเห็นคนเลยเอามาเป็นพระมเหสีกลับขืนมาบ่าเหนียมันเหี้ เรืองนี่เราใด้ซื้อไมค์ซื้อวานั่งข้ามกองว่าไงบุญกองก็แมน่นนั่งข้ามกองกอแมน่นหุ่งมันว่าเพื่อปีกขวงตะเวนให้มันมืดม่อนอนทาการพอเห็นหูหุง่เงเขาเลยมากินเห็เข้ามาเทียบใช้ทาง่ไฟปฏิบัติทงางเฮาเพื่อเป็นธรรมอาทิฐานหุ่งคืออียัง คือกิเลสนั่นะมันพืชปออกีออกอ้อมคิดอ้อมใจเห่าไงถือว่มมีบุญไม่ีบาปมันกระสนุกกินตัวห่านิเขาก็เฮ็ดไปทั่วสันติห่านิถือว่าไม่มีบุญไม่ีบาปที่อามาเกิดแ ก, แก่เกศตายที่ยวมาสนองเว้นสนองไผ่สันติห่านิ ใส่ศาสตร์ใส่สกรรมนมี่เนียศาสนาในใจโลกธาตุนี่ยนว ด, ดีก็เป็นนอกเมื่อท่านศาสนาพูดนกพระพุทธเจ้าวได้มีแต่องคเดียวลวงไปแล้วตั้งร้อยโกดถึงถึงๆ ง, งจังเจมาก็ดีเพราะสร้างบา ร, รมีน่านลอ็อกของภัยของมั่นเป็นก็จจังมากดยมัธีมาสอดสองกัน นี่คำสอนอันเดียวมืดเมื่อไดพิดเปรบเมื่อใดเปลี่ยนแปลงง่ายง่ไปไซเขากาวตัวพระพุทธศาสนาทำหน้าบนหลังหลาดสะดอนกับของผู้หนึ่งมุดน้าว่าผู้หนึ่งผันยุทเทิงอากาศพุ่นหล่ใส่กันของรับจาว่ า, ร, ารับจาเง่งกดเข็ม คนหนึ่ง่นเมื่อนตาแยแง่กดเข็มผู้ใดกำปั่นน้อยเอาไยฟืนไปเที่ยวกี้เที่ยวป่นเอาทรับเอาสินเขาไปเบิ่มรุ่งประเทศศาสตร์ท้องโตอันนี่มันบอมันเกินทาหน้ารังหลาดสะดอนไปละบอกอันนั้นเตียงต้องบอ๊อคืดมาแป๊บเดียวเขาก็ของจับคอยจิตใจเขาสูงก็โต ของสันเอาหลดว่าจิตใจผู้ถือไม่มีบุญมีบาปมันสูงก็พูดถือว่มีบุญมีบาปที่ใเจ้าอี้ทานขาขเขาคงจ้าหัวเจีดแต่น่าอับหว่าไปจางไหนก็ตามเถอะ ไม่ไมีรักอย่ะหรอกพระพุทธศ า, าสนาบ่อดกโกหกพกลมไม่หยังพระพุทธศาสนาบอกวควแกเป็นทุกข์ก็สั่งหรือรวาวควมแกมันเป็นสุขเถอะบอกสั่ควมเก็บเป็นทุกข์ก็สั่งภาวาควมเก็บมันเป็นสุขบอกสั่งแล้ยังติไปฝืนพระพุทธศาสนาความตายเป็นทุกข์่าวาควมตายมันเป็นสุขบวกจะเลือกตาส้นเาสักโคกปาน ขมหิวามอยากเป็นทุกข์บ่สั่หหิว่าเป็นทุกข์บ่สั่ปวดขีปวดเียเเป็นทุกข์่สั่งพระพุทธเจ้าล่นกองจงกองจงฝ่าฝนลงปนไอศุดได้ไปหนึ่งมันเป็นซุขบ่สั่งนอกจากที่ขดขานเพิ่นไหมันก็บ่ามียามสิ่ขาดขาเนี่นด้านเลีรเพิ่นเบาอันทังอื่น มันต้องเอ า, าด้านคีนเลนย่ำพึ่งรับจาว่าเอาดีเจตัวว่าข่า ว, ต, ต, วาตัวม้วย่อมให้ผู้คนมีเกียรติสูงสูงกว่าโตผู้ถือว่มีบุญมีญบาปนี่มันขวงโลกอยู่เสมอมันพานให้ลกูกบุนไหย้ไสผงสนองเวน้นสนองไผ่กันอยูอ่พึ่งถือวุามีบุญมีญบมีบาปมัมีคุณ พอม่เป็นเรื่องมากเป็นเรื่องของพคนัน เ, เขาอายก็เป็นเรื่องของเขาเข้าเสีวายตอบก็เป็นเรื่องของเขาอันน้ไปใช้คุณลุงว่าไปสันหรอกคุณลูกคุณหลานเดิสันตัวพูดถือว่มีบุญมีบาปก็พูดถือว่ามีบุญมีบาปเงี้ย เบื้งสีสันวันณะของเขาวงรู้เบื้งควมอยู่ควาบกีนควบปล่อยคว ม, มาของเขาวงรู้พิจิตรกับพ่อวสุมาบวเบื้องโตเชื่อมว่ม า, วาจะโตดีก็ดอกเดียดเนเขาเป็นคนงโง่งหรือลังบาวาอันมุนิเป็นน้าครคิดทั้งนั้นถ้าทําหน้าหลังหลัดสะน มันใครก็ไปกี้ไปป้นเอาทรัพย์สินผู้อื่นมากินตัวอาศัยกินน้าปายหอกปายงาวมันได้ก็ปันนง่ายก็เอาบะไดเอาเขาบะไดไปเที่ยวหาป้นประเทศศาสตร์ น, น้อยๆตัวไปเป็นเซมบ้า ท, ท้องเจ้าของมันว่าหนืออันทำหน้าลัางหลักสะดอนไปคนบ่บอกของฉัน คนทรัพย์สินเขานี่หมดทรัพย์ในดินสินในน้มเขาคนนี้หมดยึดใดทั่วเข้าบ่ไดอีดีก็ตามถ้านเน่คุเอาทรัพย์วันใดฝ้าออกไปนี่บุกถือบ่มีบาปไม่บุญตายแล้วเกินเกิลยตายมาก็ไม่เห็นไม่ไสก็บบลงเลยผู้นี่มันสิลงก็ลงซะ ถื the อว่าโมมีคุณนพ่อคุ่นแม่โมมิยุณพระพุ่นพระธรรมประสงค์นี่ตายแล้วเกิดก็แล้วตายมาก็ไม่เห็นไม่ทรางในทอมหาสมุทรนี่ก็บบกระเบืออะไเดียวนี้เลือดทุกยศถือบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนมันเที่ตายเที่ยเกิดย่นี่ก็ไดมาก็ไม่เห็นไม่ทรางในทอมหาสมุทรก็ไดล่งเชนพน่นเดียวนี่ผมมันสีลองพอไดแบนึงใช้เสมาถอนได ลงหลบดิ้งทั it, ้งปันละเทวดาเอาอะไรเชื่อมถอนจิตถอนใจออกได้ลงในสิ่งที่ควรลงเล้บ่ลงในสิ่งที่ควรบ่ลงผู้มีปัญญายอมรับถือในสิ่งที่ควรที่นับถือยอมบูซาในสิ่งที่ควรบูซายอมยอมเขารบในสิ่งที่ควรขอลบยอมบอกขอลบในสิ่งที่ควรบอกควรเขอลบยอมบอบูซาในสิ่งที่ควรบอบูซา ยอมปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติยอมโบปฏิบัติในสิ่งที่ควรโบปฏิบัติยอมเหลื่อมสายในสิ่งที่ควรเหลื่อมสายโบเหลื่อมสายในสิ่งที่ควรโบเหลื่อมสายผมมีปัญญาได้คนโบมีบาบีบุญมาเป็นมูล้านคนโบทอได้คนผู้ถือมีบาบีบุญมาเป็นมูผู้นึ่งในที่ถือกระเบื้องเขอท่านถือกระบาลเขากินก็ตาม ม่เป็นปัญหาอันนั้นรับยน้ามันไม่ได้่วเ ย, เ ย, ยเลยชวยครูทังหารเลยพิษะพระองค์เามาดูโลกเด้อพิษะคนโงโมเลยมกดูพิษะ คนโง่คือคนสางบา ร, รมีบระท่นแก่ก่าอันนี้สางบา ร, รมีพระทันแก่ก่ า, ายังใครก็บผู้บลลงมือสางได้ด้อันผู้บลลงมือสางอย่างที่ไหนมันอุกไลตัวเลือกของฝ่ายของมันดอกแล้วเอามาบอกเพื่อเป็นปัญญาของห้าตั้งหากเพื่อส่งเสริมปัญญาเพื่อส่งเสริมสัทธาของมูอห้าตั้งหากมันตัวเลือกของฝ่ายของมันกูจริง ไฟมันห่อนเขากอกว่ามันห่อนว่ามันเห่อแบบขวนไฟมันห่อจะไปตีไฟห่อต่างคั้วเป็นจริงผู้สางบาลมี่ทีเป็นพระพุพทธเจ้าอยู่างนี้มันเปนของหน่อยๆผู้สางบาลมี่ทเป็นแซวบังไข่บังขัวของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็บอกเป็นของหน่อยๆผู้สร้างบาลมี่เพื่อ ที่เป็นพระสวสดา์บัณฑกทาข้ามีอนาข้ามีในาศาสตร์สีมาไพนาหนี้กับบอึศบอยาผู้ปรัตนาพบพระศริยาเมตัยกับบอึศบอยาผู้ปัถนาพระพุทธเจ้าองนาผุนกับบอึศบอยากผู้หวังผลทุกนัปปัจจุบันาศาสตร์กับบอึศบอยาท่าผู้ถือพระพุทธศาสน า, ามีเดินตามปกนกันอยู่ เป็นซ้ายคือมูลปลวกมูหมดนี่พวกคนเถื่อม่มีบุญนี่บาเพราะก็เดินตามกันเป็นซ้ายคือปวกคือหมดนี่คือกนานเนาพไปกับไปเรื่องของภคยของมันมีปัญหาทั้งออกเพื่อพุกคิดปุกใจจะท้องให้มันหมัน ที่ยงในพระพุทธศาสนาสิสือเพื่อบุหันสงสัยในพระพุทธศาสนาสิสงสัยเห็นอย่งคําสอนของพระพุทธศาสนามันบกพร่องมันไหนศาสนาอื่นแย่มากบิางทำไมมีเที่ยงกลางพระพุทธเจ้าคนนี้ที่เอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปดัดไปเปลงเป็นคําสอนของตัว เปล่นคำสอนของพระเยซูก็ดีดัดแปลงเอาคำสอนของกุฎิเจ้าไปแม้กระทพ่อปานกาไดเนี่ยกาเอาขนหางแล้ะขนงอนของนกยุ่งที่ลวงหล่นหยุดลามปลามาแทะแท่งขนของตุ่นสมวันนั้นตนุนเกิดห้องกากาอยู่แล้วบอกคือยู่แล้วมันถิ่มเป็นนกนุ่งๆๆยุ่งจังไหนบอกอสัตวเอาลุ่น หายืมทรัพย์เศรจที่มาเป็นทรัพย์ตัวถือว่าโตเป็นพระเจ้าพูดหนึง่งศาสนาอื่นๆมันโมมีพระสสดาบันมันบมมีสักข้าฆ่ามี่มันโมมีอันนาฆ่ามีมันโมมีพระอาหารผูกขาดจองขาดเล้วทุกทุกสมัยถ้าพูที่เจ้าองค์ใดๆก็มีศาสนาอื่นมาแข่งดีขึ้นกันล่ะคือมืดก็แข่ง ผลสุดท่ายก็ปั่นถึกนายเจ้าของของเกา่าฮะล่ะนำไล่ถึกนายเจ้าของของเก่าฮะมันทางมีสืบุประโยชน์จะว่าอย่างไรพวกพืชะสดแดกดันกับศาสนาพุธมิทุกยทุกสมัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะมีหน่อยบ้างเหมือนพัศยเมตใจนี่ละพะวิรยิยะิกะสมิกบบมิทุกทุกพระองค์ละ มีอุปสรรคย่างเต็มทีมันจังเป็นเป็นเหตุให้นักปราชญ์พี่จะน่าย่างเต็มทีพี่จะหน้าที่ออกหนีนเข้าปฏิวัติพระพุทธศาสนาขันบาลมีเข้าสร้างบางมาแล้วนปัญหามันบาหลายได้เดีย๋ยมันไม่น้อยเดียวนึงขันเห็นเข้าเกิดแกต เห็นความเกิดความแก้ความเก็บความตายว่ามันเป็นทุกข์อิริยนี่เห็นเว้นเห็นไถ่มันเป็นทุกข์อิริยนี่ข้ามาเกิดเกิดกับมิจตุกุลล้วนโมไมีสุขมาเลยคํามาแก่กับมิจตุกุลล้วนโมไมีสุขมาเลยคํามาเก็บกับมีจตุกุลล้วนโมไม่สุขมาเกียรพนข้ามาตายกับมิจตุกุลล้วนโมไมีสุขมาเกียรพน ข้ามาบวมันบวชทีอ่องวันสนกับมิจะทุกข์ลวนล่วนมีสูงมาเกียรปนันเห็นว่าโลกเป็นทุกข์เสมอหนาของไส้ทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันแหลโลกภายในมันนั่งห่มอยู่สาสตร์แตเป็นโลกต้นเหตุของโลกว่าาสรแต่ยังม่ให้ป็นต้นปหาโลกโกนลงเป็นต้นเหตุของโลก เห็นซาดวาโลกโกรธหลงเนี่ยมันเป็นกองทุกข์สลนล้วนเม่มีสุกมาเจือฝนเสลี่ยวาสันมันเป็นย้อนมาสิบพเะเคสบลาบมันเป็นยังนมายังสิบพระอยออกจิตใจบอกของสันเห็นว่ามันนนั่เป็นเปะเห็นว่ามันเป็นเวรเป็นท้ายเอรี่พระพุทธเก่าสอนบม่อในนี้จากนี้เห็นว่าเกิดแก้เจ็บตายข่มโม่ันบ่ชเที่ยงมันเป็นทุกข์ เรลามาโนโซพะกว่าพระพุทธเจ้าเทศยู 4, 5, ่ีมหาพันศานำล้งแต่ลูปปังอ น, นิจจังของบะเทียงเวทานาอ น, นิจจาความสวยอารมณ์ทุกทุกอุเบคากับะเทียงสัญญาความจำได้ไม้ลู่จำหลุ่เสียงกินรสผลสพะธรมารมกับป็นของบะเทียงเกิดขึ้นแล้วและแตกสลายไปเป็นหุนลบหอกเจมือ่อละมื อ, มอนี่แต่ลขึ้นละขึ้นมุขโมจเสียนจักเทื่อ ติดต่อกันเป็นสายอยู่ํานันเรียกว่าทุกติดตอ่ออันนี้จังติดตอ่ออั น, นบังคับบรรชาว่าได้เป็นไปตามสภาพวัฒธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยแป่ปรวนแตกสลายกับอนัตตากับติดตอ่อคือกันความป่วยความหนาของเฮาจะเฮาเกิดม่านี้ได้สันมันติดต่อกันว่าสัน เมื่อกติดต่อกันเนี่บอขาดสายนี่พอาอาบน้าอาบได้แต่ทั้งนอกทัาา้งในพันจแตแดงพ้นหน่อยไปข้านขอยไปล่างล่ำสายหายแต่มีกินมีสีจังซ้าเก้าน่ยเรื่องของพจอบกระเสียนขวอมป่วยค้อม เ, เนาม่าในสะกดในร่างกายถ้าพุทธเจ้าบอกก็มันมันเป็นของสวยของงามของโ ส, งงงสงกระสโสมม่เพคะ่น เ้าก็มีวันแยงได้บอสันมีวันแยงถ เ, งยงาเงยงยถามันแยงกับันรับตาแยงได้เดยวเนี่ยามันแยงก็ได้รับตาแยงมันมืดตามันพิดใสจักบอนมุกอยู่บนพิด้เดียวเนี้าังรัพยยันชนะงเวรปลิปุนั่ ง, รรนนงบริสุทธิ์ทั้งพมจายยงประกาศเสสิสันบริบูรณ์แล้วทั้งอัธยาทั้งพยันชนะแล้ว ก็มหาผู้เาวัานต่างไอ้ปุยามีตามาหาผู้เาว่านต่างศรีรัานะมามีเออจังเหนียย่อมไหวมันเป็นหัวเรื่องหัวไหวมมันเห็นเพื่อนไหวแลยย้วไหวสื่อมันไหวน้ำสังคมไหวน้ำท้ำพวกจิงขันประพติเพื่อท้ำต่ไม่อยากพ่อปันาย ประพตชว่าพุทธศาสนานี่ประพฤติธถ้ำเพื่อถ้มประพฤติส่งเพื่อส่งประพืช พ, พ, พ, พ, พ, พูดเพื่อพูดการประพฤืชเพื่อจกเอาบริษัทบริวารเพื่อจะใครมีเสียงดึงดงดังอยู่ในวัดตาทองศาลอันนี้มันกับปัญหามันก็ลายนเนี่ยพี่น้องเอ้ยอันโลกมันเห็นจางไหนมันกระดังอยู่แล้ว มื่ต้องแต่งให้มันดังมันดังไปทั้งแกทั้งเก็บทั้งตายอยู่เลยมันมีเงืเว้นเงื่อนคืนเสียงปืนมันก็ยังมดเสียงเป็นเสียงอันอื่นก็ยังขาดเป็นแมันดังนี่ทั้งกองทุกนะวะจ้าทังสารเว้นสนองเว้นไผ่สนองไผ่หิวสนองหิวอยากสนองอยากหนี่ยเหนาสนองหนาวหอนสนองหอนแก่สนองแก่เก็บสนองเก็บตายสนองตายอยู่นี่มันไม่จบเกษียณจากเถื่อนนี่มันมีวันที่วันเสาร์นี่ มันดังแล้วล่ะโรคเข้าเสียากดังไปใช่อีกมีแตเฮียนวิซ่าเบื่อนายทอนตัวมันก็ไม่ได้เฮียนยากเห็นโทษคักคก็มันไม่ได้เฮียนยากหรอกมันถอยออกเองมันคือเห็นไฟนี่แ่ะเห็นมันหอนคักคักใครที่นอนฝันว่าสี่อยากไปจับจะเถื่อเห็นจะเพียงเห็นว่าศาสตรทุกคักคักนี่ ก็ใส่ได้มันก็บรยินหนีในศาสตร์อุบายไดมันสี่ผลจากสาสตร์มันกับปฏิบัติเท่านั้นมันกับบยินหนีในศาสตร์มันก็บเพิ่นในศาสตร์เห็นเราความตายเป็นทุกข์ทุงสิ่มันกับเพิ่นในตายมันกับอยากมาตายอีกมันกับหลงแต่ว่าเห็นโลกนี่เต็มไปด้วยควองแก่เก็บตายเสมอนาของไส้เลยทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งกัจจวัตเนี่ยซัดซับเนี่ย ควบเพื่อในว่าตาสงสารไม่ถือมาจากพวกตูวใดแค่นี้ก็โอ้ท่นเนี่ยพระสิมาตัวมันไดมันแหลพี่จ้าน่าเห็นสัตว์อยู่กับมันเพราแห้งแล้วแกกับมันมันเป็นผู้แก่ละเก็บก็มันมันเป็นผู้เก็บละตายก็มันมันเป็นผู้ตายล่ะมันเห็นอยู่ว่มันสิไปยืมผู้อื่นมาพี่จ้าน่านี่ยึดกับตัวของใคห้องมันเป็นพืานอยู่แล้ว หาพี้ยนไฟนอกคือไฟโลกของแมนบอกสกุลละกายไม่เป็นของป่วยของเนา่าสัเกจะคข้องก็เห็นยี่ตัวไปท้ายเฝ้าอยู่เนี่ยทมนไรป้ปัดปัดนย่างอันว่าเจ็บๆอย่างเนี้ยซึ่งคือวมาทมนไร้ปัดปัดไปรี่ซั่งระเบอ้อห้างกินกินย่างพิ่งผายคัดตมาดึลดแข็งดลือดขากระปานั่น ฟองแสบฟองนัวแสบยางเต็มทีหอมยางเต็มทีอาหารก็ได้ออกมากขมิ้นยางเต็มทีขึ้นกัน่รือวางได้สั่นมันเปานธรรมะเทศนาบอกมูงนั่นน้ำกินเข้าไปนี่จะน้ำดีดีซะต้เนียยออกมาเนีเป็นยังไงสั่นเอาขึ้นไปใช้แองไห้บอก นั่นเป็นหน้าที่มือห้ามสิพี่จะนห น, น้ามุดน้ำเพื่อน้ำไข่หน้า ม, าามีหูกีตามหมดเลยอาบน้าไว้สมือสูมือจังพ่อประทงังประทังเขากันได้เสบูมาฟอกไว้อันนี้มาฟอกไหจังพ่อประทงังประทังเขากันได้คลองอยู่ในสะกดลร่างกายก็ยังบดถือ ก, กัน ดังก็ยังมาถือกันดังกับกินสะกดละกายทะเลาะกันอยู่สงสารเห็นทุกข์สัตว์ในวัดตาสงสารเลยมันก็เป็นตัวศีลมันก็เป็นตัวสมาธิมันก็เป็นตัวปัญญามันก็เป็นตัวพระพุทธพระธรรมพระสมในหันเลยสิไปหาใคอีกคุณโทษไปว่าผู้หลุทุกข์คนนี้ ทำโม่ไปว่าเป็นผู้ปฏิวัติทรงใหม่ซึ่งทุกฤดููทุกสังโคข์คือกันอันนี้จังก็ทุกกันเดียวกันแหะมันุษย์คนละอันโลกก็ควบเกิดควบแก่ควเแกบควบตายกันเดียวน่ะสังขารโลกโลกคือสังขารนะจ๊ะสังขารมันเกิดขคือแนวมันแตกสลายอันนี้จังกับสังขารต่างกันยังไงสันกับสังขารโลกต่างกันยังไงอันเดียวกัน มนุษโลกเทวโลกพมทโลกชัติโลกสันพโลกถ้าปวงกองทัพอันนี้จังกวดล่างหมดนี่มัมีกระเว่งกระคืบเนี่ยล่างมันมีกระเว้งกระคืนเนี่บบบบยบบบวยุดบักลีได้บวเดี่ยวักลบกระไผ่ได้เขาลบกันไพ่เนกะยังมีพักลบพักยังกันแน่หาลูกปืนลูกผาอยู่ ส่วนอันนี้จังควโมมันว่าเทียงทุกควโมขั้มทนไหนยากของซั์ทั้งหลายนี่เร่ร่อนอยู่นี่วนเวียนอยู่นี่เมื่อใดเมื่อใ้จกกระเสียนยังเคืียรแล้วเมื่อใดวันที่วันเสาร์ล่ะมียทุกลมหายใจเขาออก อ, อกโลดมียทุกคณะลมป่างมีทุกขณะฉีพประจรเดินขันว่าเห็นสัดซัดแล้วอังสันแบบแยบไายแล้ววังสันท่นนี่ มันก็หายสงสัยว่าจะไปเครียดใทนผู้นั้นผู้นี้ก็มีเตาประหยัดมาท่านเนี่ยควมดับควบเพื่อนในวัฏสงสารทั้งปวงมันก็คือถอนกันหาทางลากนัควบเทยอะทย่ทยานในโลกทั้งปวงก็บ่๋มนีคือกันแล้วมันก็แก้กันย้อนในตัววาไงไหน ใหวาโลกมันบดดังเนี่ยเพื่อมันดังไปทั้งถูกตัวมาผลที่พลานมันดังไปทั้งสุกคุณเอียมันดังมันก็ระท่างเลยอย่านี้เห็นเท่าถือว่าพระพุทธศาสนามีคาปรสอันเทนี่ยวอยู่ในดวงคิดดวงใจของเท่านี้นะ นี่ในคณะจิตคณะจข้องเานี่ถือว่าคณะจิจคณะจ่ายองเฮาเอือมใส่นับถือพระพุทธศาสนาในมีคุนข่าอสูนเนี่ยมีขุนค่าปอสิทธิ์ลุงทุนลงแหงเพื่อนอยู่ในควบแกของเก็บค ว, บค ว, บควบตายออกิเลสมันิตไปตั้งทับจับเสืกมาจะใสอีก ก, ออกระดกกระด่งมันถืไม้จากพกตูดใหญ่วมหลงเมื่อกมันนับจะมือพ่ายแพย้ไปนั่นแหละถอยออกถอยออกถ อ, อ, อ, อยออกมาเลย บ่เข้ากล้าบุกพระนครหลวงเลยดอกคือคิดใจบ่กล้าเชื่อมานั่งเลยน่าทั้งที่เจ้าน่าจะต้องเห็นเต็มตาอยู่ตานอก ก, เกเ็เห็นตาไนก็เห็นอยู่เห็นตาหนอกส่งไปหาตาไนาเห็นหูหนอกส่งไปหาหูในืก็ําเก่าหละล่ะจะกินด่างทางหนอกส่งเข้าไปกินด่างทางไนคือด่างปัญญาคืออะไรล่ะ ปัญหาวัานนี้มี่หลายได้เดือยเนี่ยปัญหาในท่งของพุทธศาสนาเขาบอกหลายมันก็หลา ย, ยที่ได้เดือพุทธศาสนาหนวกของพุทธศาสนาสอนในเ็สหลากสอนในเบื่อานายไข่เมาในวัดตาสงสารเลยพุทธประสงค์ทำมาประสงค์ชังข้าประสงค์มิถนัดเมื่อมันสีมสาสอนในแข็งดีแข็งเรียนแข็งหลากแข็งงดแข็งบริษัทบริวารกันยี่นี่เน่เของสั้นว่าพุทธศาสนาเท่นั่น กินก็หาคีกันเดียวกันนะฮะหาเกิดก็หาตายกันเดียวกันยินดีนเกิดกิยินดีนะตายขึ้นกันนะยินดีนะกินเกิดยินดีนะคีขึ้นกันนะยืนเดินดั้งนอนรับตื่นไม่ตะกองทุกข์านาดละ่ะพอเปลี่ยนไอเดียบทอยู่ว่ัสดุนั้นเป็นทุกข์หาใจเขาออกมั่นี่ก็เปลี่ยนไอเดียบทของกาย มันยังเป็นเองมันมันบื่อต่ำหายมันก็หายเพราะมันค่อยสิ้นของมันมันบรนเทามันเองผลชุดใต้ก็นลูกเอวยบคเดียวกันตายแปลงแฝงกองกันนี้ในโรกอันนี่เป็นที่ขายยังเสียมากเกิดมากขุ่นดินคุ่นหน้าคุ่นไฟคุ่นร่มร่มกระดกก็เดิ่งทามีทางออกมีอยู่ท่าออกบ่มีของพ่อตายอยู่นี้มระตาสงสารอนีจ ก็ตู่ออกเกิดเจ้าฟางอยู่ลฬ ย, อยางพารหมหนาบกเกิดจักเถ้อก็ตู่สิ้นท่ำโองเจ้าพระิปฏิบัติว่าปฏิบัติก็ตามของแปดเจ้าฟางโยอรรถมันทา่าควายหนอกของเขานวดมุยผู้ปฏิบัติมันหกเลยนีย่มันกายคล้องทิพย์เลย เนือของทิพย์ไปผุนพระอภัยเซ่ยกล่าว่าพาระอภัยเซ่ไปปฏิบัติกล่าว่ก็่ว่าคัดของก็พูดได้พูดถือพูดถือว่าคัดของมันก็เป็นคนพลาดจังหากคนจะ บ, บอดจังหากอะไรพระอภัยเซ่ยทานนเจ้าผสมศาสนาพุทธดอกบ่วเด้วา่า สอยสายตาก็าดีนาฬิกานาฬิกาเกวก็ดีผู้แขนคืบจังคืบผู้แขนบวกคืบกบบคืบถ้ามาของะองเจ้าผู้ได้เอาไปใส่นดนมมัดเอาหลดห ม, ม้มคอคนเผาคนนมหม้อคนสั่นต่าสั่นสูงพระองค์เก่าสอนอะไรบดหละ่ะ เท่ไหรออกหองคิดสิสอนมีไดปฏิบัติจามเท่านันา้นทางกรทางว่าเตียนหมดหลือไม่มีหน้าที่สิทธิงจกถือเสียมไปทางอีกมีได้ตั้งนาเดินเท่านั้นยากระบก ป, ป, ปงคนทางภายหน่ อ, ขอเข้ายาปงทางอยู่สปีวัดเทา่าทุตันวัดภายหน่ อ, ขอเข้าเสียยายุาอยสอำนาจวัดภายใน สิ่ธรรมมันถึงกิดถึงใจแล้ว ม, ม, มันไม่ได้หกจังเม็ดเล้วมันม่นได้ถางก็ดอกก็เรียดวดอกไม่ได้สงสัยอีกด้วยสงสัยไปใส่ยุคก็พูดเจ้านี่จตุสัจจาทัานดัง ท่านทั้งนั่นแหละทางเปลี่ยนเปลีป่ย น, น, น, นเป็นดังประกาศจะบมิคือเงินเงินคืนพื้นตีกองกันยังไม่ย่มเศ้าเป็นเปียกเหมือนกอ ง, งอริยาสัตว์ซีทุกของสัตว์ทั้งหลายประกาศยะบมิคือเงินเงินคืนแกกับประกาศยู่เน้ยสัน หม้อหอ ก, หอกุณิยาเปลือยไสถ้าเท้ใสมันล่งเท่ากับ น, นอนเนี่ยนมันทางมุนยังอายไว่าเปลีนเนาะราะฉม่นมันเนายสิเปลสิไปรี่สิเปลีแก้รีเก็บรีตายยุบในหลกงน้อยได้คันบกไปพันย์ผุ น, นมุมมมมม้ยมันรีเน่น้ำนี่เพราะฉะดูวัวงของ มาท่องเที่ยวในวัตาสงสารก็แห้งแล้วมันเป็นหงวก็ม้าท่องเที่ยวในเกิดในโลกเกิดโลกแก่โลกเก็บโลกตายพราแห้งนะนั่นก็มีตั้งแต่สิทธุทุกเท่ว้มเคล็ดลักลงพั้นตัวมันไม่มีแนวอันอื่นได้เดียวเนี่ยข้อมเคล็ดลาบในวัดตาสงสารเนี่ยมันเป็นตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาตัวปพุถุผาถรมประสงค์ ตัวภาวนาตัวนี้พิธาวิรากะนีพิธามันถืเบือนายเด้วิรากะมันถืสิ่งควมกรรนัดในวัฏสงสารเด้สิ่งควบกรรนัดในเกิดแก่เก็บตายมันถือ่ยินดีมันถืเห็นแบบเย็นเย็นแบบแย บ, บคายด้วยบ่ามันเห็นแบบโท่าโสโมโหบ่ามันเห็นแบบมุทลุ มันทีตัวจะ้องบกขืนนั่นนี่มันที่บขบดจะค้องหั่นพอจะคองเฮ็ดซับแล้วมันจะ้องโมเห็ดซับบขบดขึ้นกันน่ะขึ้นขบดอีกมันจะ้องนะพี่จะนาเับ ต, ตอนไหนน่ะมันบ่ได้ขบดขึ้นเด้มึงแนวเท่านั้นแลนหละอ่อนลาบข่าาไปนัง จะ่หาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใสอีกข้บัหาอยู่ในหัวิตหัวใจเขาหันเาเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหว้วนไหนกเขาบ่เอาไว้หัวใจพวกเือบ่มีบาไม่บุญเขาก็ไม่ได้เอาไว้นไหด้เขาก็ไว้หัวใจเขาหันเื่อกันแต่ว่าของโลกยุคปั่นกันก็นมาขับบังขรรําเห็นบอก ข้าบังขอล้ำมันหวงบมสันไปว่านั่นจะมันตัวศีลจะมันตัวสมาธิจะมันพวกตัวหน้าถ้าจะอนหน้าค้าไม่บางําพวกพี่กนาอันนี้จังอยู่บ่มีขงเว้นองคืนบองจำพวกพี่แกหน้าทุกอ่บ่มีของเว้นของคืน บอกสิไปทิศชี่น้ำเทียวบุษเทวดาพ อ, อินพระพมพยมพกาลจะาลกก็บานช่งซีอย ง, อยง <c oughs> เห็นอันไหนพับบ่เดี๋ยวกบพนอันนี้จังเนกตัดถินปัวโหลดเห็นเที่ยวบุรเทวดามากกบพุนอันนี้จังเห็นนกเห็นหนูเห็นปูเห็นปีกมากกบพุนอันนี้จังกบพุนคตตาย เขาม่เห็นสัตว์เป็นสัตวแหละมันจะเพื่อนน้ำยังในยใจโลกธาตุอันนี้อันมันบ่าเห็นสัตวีจรงๆแหละมันเพิ่อนอยู่นะมั่นกูผู้หนึ่งพ่อไอ้สีผู้นึงแม่อ้สีผู้หนึ่งวันอยู่นี่เม่อวานใสนเกงใส่บ้านโยกกักูผู้นึงพ่อไอ้สีผู้นึ่งแล้วเกงใส่เมืาอวานเกงทั้งเกิดแก่เจ็บตายอะไรอ เป็นนีแกเป็นนีเก็บ เ, เ, เป็นนีตายมาอะไรซ่าอะไรพบล่ะคืนอนางปานี้่พระถามมาอยู่เห็นยังไงเห็นยังไงศิละข้อมโกนได้คนอ้อยแล้วถามมาสองสามหมื่นเนอเห็นว่ามันแฉบอยู่ห้องกัลละว่ได้แล้ววะ เ, เห็นแล้วมันพ่ออยู่พอกินพ่อใส่พอสอยอยู่ะ เ, เห็นแล้วมันเป็นไพ่ล้วนห้องกัลละได้เท่าไรแล้ววะ บอกง่ายๆซะหน่ะตกระไรถ้าว่ามันยังพอใส่พอสวยอยู่้องก็เวีนบระรแล้ววาเห็นว่ามันเป็นได้โทษล้วนๆพระเอาไม่ยับใช้มือหามันก็เอาแล้ววะคือขีน่ะคันนี่แล้มันเหม็นล้วนๆเพะได้เอามากำใช้มือก็ฟาดได้นาคุณละบอกให้บอกสั่ว่า อ๋อช่ยให้มันสงสัยข่างแขนจะจะตายค่าควบสงสัยนิ่สิ่งย่มันไหวควบสงสัยในพระพุทธศาสนานี่มีตอนแรคขับมันหนีพระพุทธศาสนาอยู่เมืองฝ้าเมืองแขนของเมีนวะอยู่หัวใจผู้เจ้าหันฮ็ดฮิงเวหัน นกของหัวใจตัวพ่อหนุ่มไหวของหัวใจตัวพ่อไหวคนตายไปแล้วไม่ได้ซากเราซื้อวินญาณมือ่หารมันไหวเป็นนกเปลนบอกบอกว่าสั่งว่าบอกอย่างนี้คับ่จะฟ้องมันแก้ที่ได้มันมักร้ามค่ํหดอกมันทิมันมันยาบมูห่าต้องหาเอบายเด็ดๆใ่มัน ของนายเจ้าจของมอเปียงเลยวะ อ, อย่างนี้มันพิษจะไปด่าผู้อื่นนะ่หให้เจ้าของมอเปลียงเลยอย่างนี่มันพิษจะไปหาให้ผู้อื่นนะ่ะตื่นขึ้นมาเมื่อไรก็เห็นเจนแนวเกา่ามันเห็นแนวใหม่ไม่จะใส่ เห็นแต่แก่แต่เก็บแต่ตายเห็นแต่ก่อนแก่ก่อนเก็บก่อนตายตัวเห็นแต่ก่อนอันนี้จังทุกครั้งอนาถตัวเห็นแต่ก่อนว่ามันบทเทียงตัวเห็นแต่ดินน้ำไฟล่มมันตัวไปเห็นนี่ยังอยู่ใส่มีอันไหนพระเิมาล่วงโลกก็นี่เขาเท่าว่าล่วงเท่าล่ว่าเท่าเท่าล่เง่าทั้งการเท่าของทุกล่วงเท่าตัวเท่าต่างหากนี่พระเิมาตัวมาล่วงเลยเถดเนี่ยหลวงสันเอาหลอดว่าเท่าพรท่านว่มหลงของเท่าข่มหลงของ มาหลอกเข้าซื้อได้เดียเ๋ยวนี้เข้าเหยียบเรียบค้มหลงบนันดเหยียบเรียบค้นหลงบทันใดสีว่าตัวตลาดจังไหนฉั น, นก็งงสิตายตัวประพืชถ้เพื่อรุดพว พ, พ่นต่อพืชถามเพื่อเอามนุษย์ เทวดามา่มมันก็ปัญหามันก็ร้ายแล้วของห้าบวาเป็นผู้มักพุทธเจ้าบวชนาห้าภาษาพู่มักพุทธเจ้าก็พุทธเจ้ววาแตาวันสื่อขนสัตว์ทั้งหลายออกจากวาัฏตักรสงสารไปนับอสงไขยอสงไขยผุนห้าปัถนะเป็นแต่เพียงเพียงเาวผู้ม์เท่านัา้นตัดลงมันทา้งซื้อเบียดเลียดหลดเนี่ย เรื่องของพลพระพุทธเจ้าฝันมุ่มีพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์เนี่ยมันกบได้อีกคือกนนันถ้าพะเวนถ้าพระไมันเห็นาเบียดเบียนกันในวัดจ้าทรงศาลเนี่ยก็มีบรรยูบรรินละ่ะนี่พระพุทธเจ้ามระองค์ไหนองค์ไ ห, หลื้อออกไปไปพระโสดาบันพร้ธก็ทข้ามีอาณาค้ามีอราหารันบ้างอืมไปสวรรค์บ้างไปพุ่มบ้างมนุษย์โลกจังเป็นที่เบาๆได้จะซื่อได้ดยังไ คนมันเป็ี๋มันจังหลายขึ้นแถอในวัดตาทุ่งสามนี่ไฟเกิดมามันก็ตายคือกันตัวมันมันก็หลายแล้วมันมาจ้องสนองเว้นสนองไฟกันอยู่นี่มันเงียบเงียบอยู่นี่ไฟเกิดมากคเกิดถ้าได้ก็ตายถ้าไดจริงยุ่มันถังแพรแพรมันโมเป็นแพรซื้อได้แพรเพื่อตะเกียมสนองเว้นสนองไฟกันไดกูกินมึงมึงกินกูอยู่งส่ ในลำไส้ห้อเนื้อหันนับเป็นงัวงซีมิจักโตสันยุ่งนื้อหันกบเขียดมันสีมจักโตสันยูงน่ออยงเ น, นื้หัเจ้าของยายบ้านนี่ปลาทูสีมิจักโตไก่ซีมีจักโตอยู่ในท้องห่อที่ห้อมันทายออกไปแล้วหมอน่ะในชีวิตเพิ่งมาเป็นชีวิตตัวสันยิบยัตัวเพิ่ง มันยิ้มใช่มากพ้นในผ่านอย่างไรก่อนยิ้มใช้เว้นใไพ่ในอาหารดีมากกัยิ้มใช่ยิ้มใอาหารยิ้มใชอาหารกัยิ้มใชขี้ขึ้นกันเนี่ยยิ้มใส้เกิดกับยิ้มใส่ตายขื้นกันเนี่ราบอกเสั่นว่าถระอาจายเก่าพันยิ้มพันฝันยิ้มใส่มากพ้นในผานคนได้เพิ่มเป็นผมมวยยิ้มอยู่ต่ำๆคือหมูห่อได้ นะที่ห้าวิควรคิดตั้งนั่นแหะควรพี่จะหน้าท่านเหตุจีงสันว์จึงว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ๆอยู่บริกรรมยุ่งสัตว์ละครบริบริกรรมยุ่งสัตว์อ่ะมันจะไปทำกรรมอันอื่นขนาดคิดใส่พึงว่าบริกรรมดึงข้อมันไว้อยู่สัตเพภาวนาอันนี้อันหนึ่งคือการหรือพี่จะหน้าอนิจจังก็คือการดึงข้อมันไว้ผูกข้อมันไว้อยู่หันเพราะ่ใจล้วนๆว่ามีกิเลสกัพ่อปอยมันละบ้ อันนี้กเกล็เป็นน้หนามันยุ่นที่เด้วกอสติกอปัญญาชิบว่าไปตามมืดกเกล็เป็นน่าหนามาโอบยุ่นที่ถ้าอาทิตย์มาเห็นแสงสว่างก็คือเม็ดหมอกมากุ่มจิตใจก็คือกเลกล็มากุ่มมาห่ม กิเลสเนเียบเหมือนกับต้นไม้เครื่อเกี่ยวไม้กาดเครื่อออกคนวางสัตว์มิเพียบเหมือนมเมฆไปบังพระอาทิตย์หรือพระจันทร์หรือดาวมหาสติมหาปัญญาสามารถสิครับนี้ได้อยู่ มุบุญดีบาบหมู้โตจะเห็นโลกกันตาหน้าโลกน่อยมืดกับปุ๊บให้เบิง้งต่ได้มนุษโลกผี่ก็พออลไรล่ะว่าต้องเขาท่านเขายานไปเบิ้งหรอกว่ต้องดําดินบินบนไปเบิง้งกับพูดถือมุ่ยบุญดีบาบ่ามันน้อยโลกกันตาหน้าโกบอกมันมืดมันบอดจนว่าเห็นคุณพอ่อคุณแม่นะ่ะเห็นคุณครูบาอาจารย์นะ่ะเออนั่นแหะโลกกันตาหน้าโลกน้อยมืดคุมมืดนะ่ะ มันก็ต้องเห็นแต่มนุษย์เพี่แหละก็ต้องเคสลาแต่มนุษย์เพลี่แหละจะสิบว่าไปท้บุญเพื่อสิอย่างนี้จะเกิดแก้เจ็บตายไม่ต้อง่าเกิดแก้เจ็บตายอีกสเน่ยจ้ะไอ้เอาบุญเป็นเหื่อเป็นแพ่ขี้ขำสเน้น หนทางพระองค์เก่าสินเนี่ยบุญก็เป็นหนทางพระองค์เก่านะชีวกับเป็นหนทางพระองค์เก่า น, น, นทาออาะทางไว้สมาธิก็เป็นหนทางพระองค์เก่านะทางไว้ยุสเส้นเดียวกันนะ่ะล่ะมันเสียนย่อยเสีนกลุ่งเสีนสะอาดสะอาดมันก็มีอย่งมางอกมาหกกระเทือเสียนของคิดของใจแต่มันไปถึกละ่ะอันนี้ชีมาหกได้มันไปทางพิษแต่บุดเจนเอาชีมาหก อย่าลปัญหาีเลมันพามาขวางเงงของหแหละมันยาดนี้จากมันสันิภาวน่าสันิพี่จ้าน่าแล้วันติบ๊ดนอนนามึงนี่เพราะว่านอนนบ้ก็น่าเพราะว่าชีเลตนะ ม, นะมันมาซึมสันีิเอานี่แต่ให้ทานเหนป่ะสันติบ๊าใส่พกินนะเพราะว่า กิเลสมันย่านี้จากมันบางทีเดินเดยวกลมเพราะว่าเอาข้อต่อแอวนยึดพืองหัวเนี่ยไทหันไทยนี้ยกกิเลสบนท่าไทยที่ลุกก็คือกันเอานอนนีกเช้าบัดกัน่าเพรว่ากิเลสมันซึมไหวซึมไหวมันหย่านี้จากมันมันหย่านท่นมันมันหย่านขจากมันของมันตาม หลังขีข้อคอศบสับหัวยู่เห่าเห่าเห่ายู่คือสั่งบนบอบ่แกบ่เก็บบ่ตายมันโมมี่นะท่านเพราะถิ่นแกบาเก็บบ่ตายเร่ยนอยู่ละเมื่อบนบ่แกบ่เก็บบ่ตายบ่ทูกปัยหามันมียุ่นที่เด้๋ยวก็มันสิต้องการทำไมมีแต่มืดไปถิ่นอยู่น้ำมืด สาว่างมันมีอยู่พวกกำนัดในโลกในสงสารมันเบามันบางไปแล้วพวกเทย่าเทยานในวัาสงสารมันเบามันบางไปแล้วมันก็อุบ ป, ประมาณคือไม่แหงแล้วมาสีมันก็เป็นไฟผตมันยังนักเยอ่แล้ว นี่การทดสอบสอบอยู่แล้วไหมกูนักแม่ทังวัตถุสิ่งของหลายบ่หรือนักแม่ทั้งธรรมะหลายวะสันขันจะคล้องนักในทั้งวัตถุสิ่งของหลายก็เรียกว่าบาลมีนี่ยยังอ่อนอยู่บุคคลนอนใจว่าสันเนี่ยมันก็มีเครื่องทดสอบเพือกันขนะันนักแม่ทั้งชิ้นทำหลายใกล้สะตายแล้วกู ฟาห้าทางกูว่าั่นไกลยุ้อสมือสมือว่าสั่นน้อยกับไกล่ไ ง, ไงไก็ใไกลขึ้นกันล้มเขาลราบ่ออกก็ต้องตายล้มออกลรวบ่เขาก็ต้องตายถ้าไปต๊ะมระหกก็ไปจจกว่าทะเลแล้วสะขึ้นมาวันหนึ่งขึ้นหนึ่งในมรณหกมรณะคงง่ายๆอันเดียวกันกับเมืองสวรเป็นเป็นสัตติรษานาว่าสาั่นแจกว่าศาสตร์ใดจังสีเดปินมาเป็นมือษย์ดได้ ไปถือให้เขาปาดข้ อ, อยุน่นตายไปเป็นมว้ว น, น้นจ้องจิถึกตายหงต้อหันจังหาห้อยสะาดคนเขาแทงข้อตายไปเป็นง้วดเป็นกล้ยไว้เส้นจิถือเขาเออกเขาเออกเขาถาหน้าถ้าเท้ามาแน่เขาขาใหนี่แต่ว่ามันติดจอยเท้าร้ายคล้ายโบออกไว้เส่น คือเป็น น, ก เ, น, นกเป็นหนูวะสันพิชิเขาเขาสิมารอบยิ่งแย่งไงระวังแล้วระวังยิงกับปานนั่นนอนก็เป็นทุกข์ช่วงกลางคืนเว้นในเยินเสียงโห่แขกขมันมืนตาเ ม, ม่งโลดหาทางสีบินโลดเป็นทุกข์ว่าสันชทั้งหลายในโลกอันนี้เป็นทุกข์น้ำเสีวิตที่ว่าก็เขียดม้นี่เห็นเขาไปมัดกวา ง, งักมาแล้วแต่มันร่าตัวน่ ม, นมเห็นบอก ผมมีพระพุทธศาสนาแสบแส่งเงียลกเมื่อกฎพิษอียั้งกับหมาตัวไหมีกำลังแห้งขลาดกัดเลยคนเห็นกันกับัหาเห็นกันเน่ยผมมีพุทธศาสนาแสบแส่งไม่ได้โลกอันนั้นม่ยังนะ บ่มันสนามเว่ว่ามันสนามไผ่้าสร้างงูไม่ข้าไปเที่ยวขายขามันอยู่นี่หอมือข้าตายกบมดได้งูนี่ยขาตาย ก, ยยาายกอนว่าขผล้าสร้างหินไ่ขา้าไปเที่ยวขายนี่หอดมือข้าวตายกบับบบบดได้เนีอเห็นไหมสัตาหน้าที่บาดจึงงอกวาย สักตัวได้ก็ต้องหักชีวิตของไพร์ฮอมานเมดช่วมัดพัสสถานอของไพร้ฮอมานเขากะหักหนาที่บาดอาทิตย์หน้าจึงเป็นของเมีคาลูกเมียไภั์ไพรกะหักพวกคนไปลงประเวณีกันท้ำพูดก็คือกันไพรก็ต้องการจะควมคือสัดสุดจริต โมต้องการโกหกพกล่มให้ใช้เวลาทั้งผู้พูดและผู้ปฏิบัติตามนั่นสินห้องพระองค์เจ้าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์บดมาคัดขันกันดอกเอ้ยต่างสั่นบอมแนงล่างไม่บริวารด้เดี๋ยวนี้โลกเอื้อยกัดบดทุกแล้วทุกแล้วทุกแล้วโลดพิกจิตรเจ้าละบาดระมีหน่อยมากตามสูงขนาด เป็นปัญญาธิกะทัทธาธิกะวิริยะธิกะส่วนหกกายก็พุทธเจ้าคือการมืดชิติยานุพยัญช น, นะมีลักษณะอันเดียวกันมืดาทาั้งดังคมหลังโมเป็นห้องนองโมเป็นเอ็นกลมเหมือนทองกลวย พอของพาเสู้อะไรังไ่ีอเซ่ทีว่านมของพเรืงาซ่าที่ว่านาวบงใขอของพเอสู่ว่าีสิทว่าเห็น พระเยซูสามบารมีไ่จะขาดจกพบจังไลเป็นพระเยซูโบมีจำนาพระพุทธเจ้าหองี้มืดครบหมดหัวนาดีหรอหัวจ้าดีหัวจ้กของพวกันกิเลสเอาตรงตรงเกยนะพูดได้ตจงเมียไหมแจงผัวไหมให้ไปร่างเบา เนี่ยทามจ้กอนเ่าตัวล อ, อกไปเห็ดเนียเขาเราเบ า, าไปกินก้อนเขานั่นของเบาเขาขงตัวไกของพอ่อเาี่กิเลสอยู่ผม่มีกิเลสของบเอกบบน้าห้ากับเียมไตัว อ, อันยัตทุเทศศาสตดาอืน่น